สนฟังคะในการสรมมนาสนท น, นาของเราหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมฟังพระสูตรรู้ตัวทั่วพร้อมกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาที่จะมาสนทนาธรรมก็จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงเพื่อเตรียมตัวที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่บรรยากาศของการเริ่มต้นการทำงานอย่างมีชีวิตชีวาและมีธรรมในแต่ละวันนะคะในช่วงที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับ พระไพบุญอภิปุณโญจากวัดบ่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะนมสักการะท่านคะ่ะเป็นปอลค่ะควันหลงจากวันเด็กค่ะที่วัดจัดกิจกรรมให้วันเด็กไหมคะท่านวันเด็กมีนักเรียนจากกาลสิน์ประมาณสี่สิบคนมานั่งสมาธิที่วัดอ๋อค่ะ<อ>แล้วขับรถกันมาสามชั่วโมงเนาะโอ้มามากันไกลเลยนะคะสามชั่วโมงมุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็มาอยู่อาสาวอาทิต คืนการปฏิบัติธรรมในกิจกรรมวันเด็กเนี่ยผิดแผกแตกต่างจากการปฏิบัติธรรมในวันอื่นๆอย่างไรคะก็จะมีนิทานมีเรื่องเล่าที่เล่าโดยพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมะและเป็นนิทานเรื่องของอตาบอดคลำช้างบ้างอาจจะเป็นพุทธวัจนะที่เราเล่าให้เด็กๆ เ, เขาฟังกันแล้วเด็กเขาฟังเข้าใจไหมคะนิทานเขาก็ชอบอยู่แล้ว <ใ>อ๋อค่ะโดยเฉพาะยิ่งเป็นพุทธวจนะเนี่ยมีอุปมาอุปมาที่ลึกซึ้งแหมดีมากเลย เ, เด็กอายุเท่าไหร่คะท่านคะอมสามมสามอ๋อก็พอรู้เรื่องแล้วใช่แล้วเวลาเล่านี่จะต้องมีลีลาแตกต่างจากการที่เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังไหมคะก็ให้เขาเข้าสมาธิไปเลยอ๋อค่ะนะคะค <laughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายนะคะคงจะขออนุญาตฟังสักเรื่องหนึ่งอาตาบอดคลาช้างเนี่ยะคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวคนไปผ่าตัดต้อและตาบอดใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องอะไรที่คนเกิดความรู้สึกเวทนาวอาทำไมมนุษย์เราเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ตั้งใจจะไปทำให้ตัวเองหายจากอาการมองไม่ค่อยชัดเจนทั้งๆ ท, ที่หมอก็ช่วยอย่างเต็มที่แต่มันก็ยังไม่ายเกิดความพลาดพลั้งนะคะไปถึงขนาดที่ต้องสูญเสียดวงตาไปได้ กลับมาที่เรื่องวันเด็กที่ดิฉันเจเจณาจะปรับเรียนถามท่านอาจารย์นะค ะ, ะไปอ่านหนังสือพิมพ์เขาพูดถึงของขวัญเด็กของสื่อมวลชนพอดีอ่านหลังจากวันเด็กอ่ะคะ่ะก็เลยต้องมาถามหลังจากวันเด็กคนเขียนเนี่ยได้ยกตัวอย่างเพลงวันเด็กท่านอาจจะพอเคยได้ยินนะคะ <c oughs> ที่บอกว่าเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหน้าที่อย่างแรกเลยนะคะ <c oughs> หนึ่งนับถือศาสนา พอหน้าที่อย่างแรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนเขียนบทความเขาก็บอกว่าเด็กจะนับถืออย่างไรเพราะว่าต้นแบบค่อนข้างจะหายากเน่ะอย่างถ้าผ่านทางสื่ออันนี้พูดประเด็นเกี่ยวกับสื่ออย่างเดียวไงคะว่าสื่อก็มักจะอะาไราการธรรมะเนี่ยไปไว้ในตอนติสี่ตีห้าพูดแล้วโดนใจดิฉันอย่างจังเลยขณะนี้ตีห้าเสร็จแล้คะแล้วก็ ยังมีอีกรายการที่ท่นจัดเนี่ยตีสี่เลยค่ะท่านคะใช่เอ่เขาโชคดีนะคะที่ไม่ได้ยกตัวอย่างให้เด็กตกใจว่าบางทีตีสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะใช่ค่ะก็ เ, เลยบอกล้วเด็กจ ะ, ะเข้าถึงาศาสนาได้อย่างไร อ, อ, อันนี้เมื่อก่อนที่ฉันเคยต่อสู้เคยทำสถานีวิทยุเองครั้งหนึ่งนะคะ<อ>ก็ไดอาราธนา พรคุณเจ้าเนี่ยมาจัดรายการตอนเวลาพรานทานซึ่งหมายความว่าเป็นเวลาที่ราคาแพงที่สุดตอนรถติดๆในกรุงเทพเนี่ยก็ทําอยู่ได้พักหนึ่งเจ้าของสมทานเ้าก็ขอคืนทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเสนอในรัฐบาลบ้างในกระทรวงที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้รับการสนองนะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เอาแค่ที่ f m ฟเอ อนุญาตให้มีรายการธรรมะเนี่ยดิฉันถือว่าก็เป็นการที่เขามีมีเขาเรียกว่าอะไรเดียร์คะได้ทำในสิ่งที่ที่ดีแล้วอะ่ะเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยทำา ร, รายการธรรมะเนี่ยใช่พยายามที่จะสร้างความแตกต่างพยายามที่จะเห็นประโยชน์นั้นเลยทำยนี้ใช่่ะถ้าอาจารย์คะทีนี้ถ้าจะามองอย่างไร หรือไม่เป็นไรเด็กเนี่ยก็ให้ทางตีสี่ตีหนี่แหละเด็กอาจจะได้ในความฝันขณะหลับอยู่ได้ด้วยอิทธิพลของคําสอนของพระศาสนาเรื่องเรื่องของสื่อนะเราเรากำลังมองที่สื่ออย่างเดียวถูกไหมใช่ค่ะปร ะ, ประเด็นสื่ อ, อค่ะเพนะราะฉะนั้นสื่อเนี่ยหนึ่งเรื่องของเวลาอย่างที่หนึ่งละ่ะอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครูน่นี้ว่าเอะเวลาไหนคนถึงจะมาฟังธรร ม, มาะถึงจะเหมาะสมที่สุดสองแล้วสื่อเนี่ย ทำเป็นตัวอย่างไหมเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะนะคือเรานําเสนอข่าวออย่างไม่บิดเบือนนําเสนอข่าวที่ไม่พูดวาจายุยงให้คนแตกกันอย่างนี้ไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคําพูดเท็จอย่างเงี้ยสื่อก็เป็นตัวอย่างได้คคนที่ทําอย่างนี้คือคนที่ปฏิบัติธรรมละคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเด็กเห็นเขาก็ทําเป็นตัวอย่างใช่ไหมเป็นผู้มีวาจาของสัตว์บรุษใช่ไหมคือ ไม่กล่าวความไม่ดีของบุคคลอื่นกล่าวแต่ความดีของบุคคลอื่นลักษณะนี้ถ้าอาจารย์ครับอย่างนี้ก็เท่ากับอาจารย์กาลังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเหตุปัจจัยไม่เกื้อกูลให้มีก็ใช้ในลักษณะของการนําเสนอข่าวอื่นๆทั่วๆไปที่ไม่ใช่รายการธรรมะโดยตรงเนี่ยให้มีธรรมอยู่ในนั้นใช่ไหมคะถูกต้องอีกประการหนึ่งนะก็คือว่าธรรมะของบริพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไม่ไม่ล้าสมายัยเป็นสิ่งที่ เป็นจริงตลอดการถูกไหมค่ะทีนี้ว่าวิธีนําเสนอต่างหาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตามสังคมค่ะสังคมแบบนี้เราใช้วิธีนําเสนอแบบนี้อระยะเวลาเปลี่ยนไปการเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการนําเสนอในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเลยเรื่องสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมค่ะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะทีนี้พอมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราก็มีสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอแต่เนื้อหาเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าคนนําเสนอเนี่ยเรามีรูปแบบวิธีการที่นําเสนอแล้วมันสามารถเข้าถึงประชาชนได้เนี่ยไอ้เรื่องเวลาอาจมาคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเองค่ะคือเหมือนกับว่าพอคนเริ่มชอบใช่ไหมคะใช่พ อ, อคนเริ่มชอบมันก็ไปได้เวลาไหนมันก็ออกได้ทั้งนั้นแหละแต่มันก็น่าเห็นใจในแง่ที่เคยเป็นคนทําสื่อในลักษณะที่ทําในการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะคะก็ได้พบว่ามันมีเงื่อนไขคือต้นทุนที่มันสูงบังคับเราอยู่ ให้เราต้องหาเงินมาให้มันครอบคลุมต้นทุนแล้วก็พอเหลือกําไรที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายตลอดจนเป็นไรายได้นะนะคะเหมือนก็เลยทําให้อาจจะบางสื่อเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเวลาดีๆที่ราคาแพงมานําเสนอในรายการธรรมะตรงๆก็ทําในแบบที่ท่านพบูลได้แนะนําก็แล้วกันนะคะว่าเอาทําแทรกเอาไว้ไละครโทรทัศน์ก็มีธรรมะแทรกข่าวก็ นำเสนอในแง่มุมคือข่าวข้อเท็จจริงนะคะท่านคะจะไปนำเสนอในแง่ที่มันยุยงมันเรียบร้อยอย่างเดียวนะค ะ, ะพูดตามทำถูกต้องอย่างเดียวนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นมันก็นําเสนอข่าวลำบากเอเทคนิคในการนําเสนออยากจะให้ท่านช่วยบอกให้เป็นความรู้อะคะ่ะว่าเทคนิคสมมุติว่าเราจะต้องนําเสนอข่าวที่มันโอ้โหอพวกนี้มันขี้กองพูดใจห ย, ยาบใคร หยอกย้อนซอเสียดเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทําังไงคือ <c ười> คนไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่กับเขาค่ <c ười> ะคนดีเราก็สนับสนุนคนไม่ดีเนี่ยพอพอเขาไม่เห็นข่าวก็ออกเนี่ยเข า, าเขาจะไดไ้ไม่ได้รับความอ่าก็เรียกว่าอะไรดีเด่นในสังคมหรื <c ười> อเขาจะเลิกควักการทํำไม่ดีของเขาไปคือท่านบอกว่าคนไม่ดีเนี่ยเราก็ไปเล่นงานเขาในแง่ความถูกต้องอ่าตาม กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าอย่าไปนําเสนอข่าวเขาแล้วมันมันมีจริงๆนะคะวันเด็กเนี่ยมีผู้ครองท่านหนึ่งมาถามดิฉันบอกว่าเนี่ยลูกถามบอกว่าเอ้ยยังไงดีหลหรอคะคุณแม่เเอพราะชักสับสนแล้วคือเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ได้รับการยอมรับหรือว่าเป็นนำมานําเสนอชาเป็นคนที่ดูเหมือนกับดีเด่นในสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยจริงเพราะนั้นเราก็อย่านําเสนอข่าวที่ไม่ดี <Okay. S 2> อะไรที่ไม่ดีแล้วคือถ้าเราเสนอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะ <Okay. S 2> อันนี้มันดีหรือเปล่าอย่างที่ว่าใช่ไหมเพราะฉะนั <Okay. S 2> ้นมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วาแต่ข่าวที่ดีๆแล้วคนที่เขาทําไม่ดีเนี่ยพอตัวเขาไม่ได้ออกข่าวเนี่ยนะ <Okay. S 2> ไม่ได้แบบมีความดีเด่นในสังคมใช่ไหม<ต>คนอืนไม่รับทราบเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเองแต่ดูเนี้ย <c oughs> มันกลับทางกันนะคะสมมุติว่าเรามองในแง่ของอแวดวงบันเทิงเนี่ย มันมีคนบางกลุ่มนะคะที่มีความเชื่อว่าถ้าอยากให้ได้รับการสนใจเกิดเร็วเนี่ยจะต้องทำตัวให้วื้วาเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแนวคิดที่ท่าอาจารย์พูดนี่ก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าตัวคนที่ทำสื่อเองจะมีความคิดอย่างไรจะตัดสินใจว่าจะทำหน้าที่นี้ในการที่จะทำให้สังคมมีความ พอดีพอดีไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปกับผลกระทบที่เรานําเสนอไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องถูกต้องค่ะอาจารย์คะทีนี้มีข่าวจากวันเด็กเนี่ยอ่านก็เห็นหลายแงย่หลายมุมที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับรายการเรายกตัวอย่างเช่นไปอ่านในไทยรัฐนะคะเมื่อเออไม่ได้ตัดข่าวมานะ่ยเขาก็ไปถามครอบครัวบางครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จักว่ามีวิธีการในการเลี้ยงลูกอย่างไรก็ไปเจออยู่ครอบครัวนึงคะ่ะ คุณพ่อเนี่ยเป็นวิศวกรยังหนุ่มยังสาวทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ก็น่าตาดีดีก็บอกบอกว่าวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยก็คือให้ธรรมะลูกตั้งแต่เด็กเลยออย่างวันเด็กเนี่ยก็บอกว่ามีแผนการว่าเดี๋ยวจะพาลูกขับรถไปโค ร, ราชนะคะไปเข้าวัดไปก็ไปแบบเด็กๆกันนะคะไปปล่อยนกปล่อยปลาไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมเล็กๆน้อยๆใช่ใชอันนี้พูดถึง ก็ถือว่าเด็กควรจะเข้าวัดในระดับเด็กหรอคะท่านคืออาตมามองว่าอย่างนี้อ่าอย่างสมมุติเด็กนักเรียนจากการะทรวงศึกษาธิกามาที่วัดป่ารไหน่ายโศกเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไม่จะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่โมเนี่ยเขานั่งไม่ได้หรอกใ ช, ใช่ไหมอาตมาก็ไม่ได้บังคับเขานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะเรามีความคิดว่านั่งสมาธิสักยี่สบนาทีอย่าว่ายี่ิบนาทีละห้านาทีก็ดีละค่ะห้านาทีบางคนยังนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรเขามาวัดเขาได้ถึงศีลใช่ไหมเขาไม่ได้พูดจ ่าบ้าบอไม่ได้ไปเที่ยวค่าสัตว์อะไร <Okay. S 2> แต่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดจาบ้าบอทําศีลไม่ค่อยถูกต้องก็ตามอย่างน้อยเขาก็ได้เข้าวัดก็ยังดีกว่าไปห้างค <Okay. S 2> แล้วยังดีกว่าไปตามสถานที่อโคโจรอืนเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยอย่างแน่แหละว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเข้าใกล้สัมมนาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่ง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเข้าวัดเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ฟังธรรมละ่ะใช่ไหมก็ยังดีกว่าไปเที่ยวเล่นตามสถานที่ที่ไม่ถูกค่ะก็ ก็เรียกว่าเป็นทางเลือกที่ให้เขามีอยู่ในให้ให้รู้จักทางเลือกที่ควรเลือกได้เอาไว้ในประสบการณ์ชีวิตของเขาแหมทีนี้เวลาก็ค่อนข้างกระชั้นเข้ามาอย่างไรก็ตามยังอยากให้ท่านเล่านิทานตาบอดคลาช้าง <c oughs> เอาแบบให้คนฟังนั่งสมาธิไปด้วยค่ะ <c oughs> <laughs> พอไม่เข้าเวลากว่าจะถึงสิบห้านาทีได้ได้ได้ต่อไปก็จะเป็นนิทานเรื่องตาบอดคําช้างที่ว่าได้ได้เล่า ในเป็นนิทานวันเด็กให้เด็กที่มานั่งสมาธิที่วัดาอะไรโศกฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองสาวัตถีนี่เองมีพระราชาองค์หนึ่งตรัสกับราชบุตรคนหนึ่งว่ามานีสิท่านผู้เจริญคนตาบอดแต่กำเนิดในนครสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดท่านจงให้คนทั้งหมดนั้นมาประชุมกันในที่แห่งหนึ่งบุตรคนนั้นทาตามพระประสงค์แล้ว พระราชานั้นได้ตรัสสั่งกำ ร, รุษผู้นั้นว่าดูก่อนแน่นายถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงซึ่งช้างแก่คนตาบอดแต่กําเนิดเหล่านั้นเถอะราช บ, บริษคนนั้นก็ได้ทําตามพระประสงค์โดยให้คนตาบอดแต่กําเนิดพวกหนึ่งกลําซึ่งสีสระช้างพร้อม ก, อ ก, นนกระบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กําเนิดอีกพวกหนึ่งกลําซึ่งหูช้างพร้อมกระบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กําเนิดอีกพวกหนึ่งกลําซึ่งงาช้าง พร้อมก็บอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กาเนิดอีกพวกหนึ่งคำซึ่งงวงช้างพร้อมกับอกว่านี่แหละช้างให้ตาบอดให้คนตาบอดแต่กาเนิดอีกพวกหนึ่งคำซึ่งกายช้างพร้อมกะบอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กาเนิดอีกพวกหนึ่งคาซึ่งเท้าช้างพร้อมก็บอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแต่กาเนิดอีกพวกหนึ่งคาซึ่งหลังช้างพร้อมก็บอกว่านี่แหละช้าง ให้คนตาบอดแตกกาเนิดอีกพวกหนึ่งคำซึ่งโคนหางช้างพร้อมก็บอกว่านี่แหละช้างให้คนตาบอดแตกกาเนิดอีกพวกหนึ่งคำซึ่งพวงหางช้างพร้อมก็บอกว่านี่แหละช้างรันบุุษนั้นแสดงซึ่งช้างแก่พวกคนตาบอดแตกกาเนิดดังนั้นแล้วได้เข้าไปกราบปูนกับพระราชาว่าพวกคนตาบอดแตกกาเนิดเหล่านั้นได้เห็นช้างแล้วพระเจ้าค่ะ พระราชจึงได้เสด็จไปสู่ที่ประชุมแห่งคนตาบอดแต่กำเนิดแล้วตรัสว่าพ่อบอดทั้งหลายพ่อเห็นช้างแล้วหรือครั้นได้ทรงรับคำตอบว่าเห็นแล้วจึงได้ตรัสว่าถ้าเห็นแล้วพ่อบอดทั้งหลายจงกล่าวดูทีว่าช้างนั้นเป็นอย่างไรอีกสุดทั้งหลายคนตาบอดพวกใดที่คลำสีสระช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนหม้อคนตาบอดพวกใดได้คลำหูช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนกระดง คนตาบอดพวกใดได้คำงาช้างก็ ก, กล่งงาวว่าช้างเหมือนผานคนตาบอดพวกใดได้คำห่วงช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนนอนไถคนตาบอดพวกใดได้คำกายช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนพ่อมคนตาบอดพวกใดได้คำเท้าช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนเสาคนตาบอดพวกใดได้คำหลังช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนครกระเดื claro ่องคนตาบอดพวกใดได้คำโคนหางช้าง ก็กล่าวว่าช้างเหมือนสากําข้าวคนตาบอดพวกใดได้คลำพวงหางช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนไม้กวาดคนตาบอดแต่กําเนิดทั้งหลายเหล่านั้นเฉียงกันอยู่อย่างนี้ว่าช้างเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้บ้างช้างไม่ใช่อย่างนี้ช้างเป็นอย่างนี้ต่างหากต่างนี้บ้างได้ประหารซึ่งกันและกันด้วยกำมัดทั้งหลายอยู่ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระราชามีความพอพระไทยเป็นอันมากด้วยเหตุนั้นนิสันใดข้อนี้ก็ฉันนั้น เราคือปริพาชกทั้งหลายผู้เป็นเจ้าลทัทธิเหล่าอื่นนั้นเป็นคนตาบอดอไร้จักสุขไม่รู้อัตถะไม่รู้อนัตถะจึงไม่รู้ธรรมะไม่รู้อธรรมะเมื่อไม่รู้อัตถะอนัตถะไม่รู้ธรรมะอธรรมะก็เกิดการบาดหวังกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงซึ่งกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากว่าทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทำไม่ใช่อย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้อยู่ดังนี้นี่งคือเรื่องตาบอดทำความช้าง ค่ะให้อ่นฟังก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องศึกษ า, เ ร, า, าเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันใช่ไ้มคะจึงจะไม่ได้เกิดความที่เห็นที่แตกแยกใช่เดี๋ถือยึดเ อ, อาว่าแค่นี้คือทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือสมมติคนที่คลาเท้าช้างเนี่ยถ้าคนอื่นก็บอกว่าใชา้แม่จะเหมือนพ่อ ถันว่าเท้าช้างเหมือนเสานะก็อย่าเทียงกันเลยเพราะว่ามันก็คือช้างนั่นแหล ะ, ะ, ะสิ่งใดเป็นธรรมก็ทำเอาไว้นั่นคือการไม่ทะเลาะกันไม่ บ, บาดหมางกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะโดยพระอาจารย์พพภัูบุญอภิปุโนนะคะน้มสักการขอบพระคุณค่ะ